รวมเรื่องที่มีในสังฆเพทะขันทกะเรื่องเจ้าสากยะผู้มีชื่อเสียงออกบวชขณะที่พระผู้มีพระภาคประทับที่อนุปยานิคมเจ้าอนุรุทธะสากยะผู้สุขุมารชาติ ไม่ปราถนาจะทรงผนวดเจ้ามหานามะผู้พี่จึงสอนวิธีไถนาหวานข้าวไขน้ำข้าระบายน้ำออกถอนหญ้าเกี่ยวข้าวขนข้าวตั้งลอมนวดข้าวสางฟางฝัดข้าวรีบฝัดละอองออกขนขึ้นฉางเจ้าอนุรุท ธ, ธะ จึงตัดสินใจออกบวชเพราะทรงเห็นการงานไม่มีที่จบสิ้นแม้มารดาบิดาปู่ย่าตายายก็จะตายไปหมดพระเจ้าพัทยสากยะเจ้าอนุรุทธะสากยะเจ้าอาณ น, นเจ้าภคุเจ้ากิมพิละถือตัวว่าเป็นสากยะวงเพื่อจะตัดมานะจึงยอมให้อุบาลีบวชก่อน พระผู้มีพระภาคประทับนกรุงโกสัมพีพระเทวทัตทำกรรมเลวสามเสื่อมจากฤทธิ์กากุทะโกริยะเทพบุตรเข้าไปแจ้งข่าวแก่พระมหาโมคลานะสงฆ์ลงประกาศนิยกรรมพระเทวทัตอาชาติศัตรูกุมารถูกพระเทวทัตยุ ย, ยงให้ปลงพระชนน์พระชนก พระเทวทัตทรงบุรุษไปลอบปลงพระชนพระผู้มีพระภาคแต่ไม่สำเร็จพระเทวทัตกลิ้งศีลาหวังจะปลงพระชนพระผู้มีพระภาคด้วยตนเองสั่งให้คนปล่อยช้างนาลาคีรีเพื่อทำร้ายพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติโภชนะที่คนสามคนพึงบริโภค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 รับสั่งให้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไปพาภิกษุ500รูปกลับให้พวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายสงสแดงอาบัตถุลัดใจเรื่ององค์แปดมีสามเรื่องคือ 1. ภิกษุผู้ควรเป็นทูตมีคุณสมบัติแปดอย่าง 2. พระสารีบุตร ประกอบด้วยคุณสมบัติของทูตแปดอย่าง 3. พระเทวทัตถูกอสตธรรม8ดอย่างครอบงำพระเทวทัตถูกอสตธรรมสามอย่างครอบงำเรื่องอาการที่เรียกว่าสังคราชีสังคเภท สังฆเพทะขันทะกะจบ